ทะกนี้เราได้พูดกันทังเรื่องเปลี่ยนเสื้อเลี่ยนเสื้อมันมีหลายชนิดเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดก็มีเ <c oughs> ระวังให้ดีนะเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนเสื้อคนเอาเสื้อสัตว์มาใส่ก็มี น, น, นมมั่นระวังออเห็นแล้ว น, นั่งอยู่เวลานี้นะสมมุตินะมันจะน่าขยะแขยงงไหม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 เพราะมีเครื่องหมุนจิตให้เป็นไปในแง่ต่างๆได้เครื่องหมุนอันนั้นส่วนมากมันก็เป็นความชั่วนั่นเองที่หมุนให้เป็นทางต่าไม่มีทางดีที่จะพาหมุนให้เป็นทางต่าเลยมีแต่ทางชั่วทั้งนั้นแล้วเรามักจะคล้อยตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่ปรารถนาความชั่วแต่ความคล้อยตามของเรามันบอก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 จากสติที่ล่มลุกคลุกครานจากปัญญาที่ล่มลุกคลุกครานนี่แหละนี่สอนให้อบรมนีนสอนให้บำรุงสติโดยลำดับนี่พวกเรามันอยู่ในฐานะที่จะต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างที่ว่านั้นเพราะกฎบังคับมีอยู่ภายในใจแม้ตัวเองจะไม่รู้ก็าตามกฎอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับ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 เราไม่สามารถที่จะทราบสิง่งลึกลับที่มีอยู่ภายในตัวของเราจรึงเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนอนใจไม่ระมัด ร, ระวังโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีบ้างทั้งๆ ท, งที่ท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่ามีสิ่งนั้นเป็นภยัยแล้วเข้าใจมันเป็นภัยบ้างทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งนั้นเป็นภัยมีอยู่ภายในใจของเราด้วยนี่เมื่อทําให้ประมาทนอนใจแล้วเกิดแล้วเป็นความไม่สนใจด้วย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 หากว่าเราไม่เราไม่มีความหริงภายใจิตใจของเรายังไงก็ไปไม่พ้นที่เราจะต้องทราบตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่ขั้นยาบจนถึงขั้นละเอียดและขั้นละเอียดสูงเพราะนำสิ่งที่มีที่จริงอยู่ภายใใจของสัตว์ทั้งนั้นออกมาแสดงให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ดูไม่ใช่เอามาจากที่อื่นใด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 ถ้าไม่ได้มุ่งต่อผู้หนึงผู้ใดผู้ที่ไม่ได้มุ่งไม่ได้ถูกมุ่งนั้นก็จะไม่ได้สำเร็จสำเร็จมาผลนิพพานอะไรได้เลยหากจะสําเร็จก็หรือได้ผลในประโยชน์ก็จะได้เฉพาะผู้ที่พระ อ, องค์มุ่งอ่ะเรายกตัวอย่างอย่างนี้แต่นี้ทําไมเวลาประธานพระว่าแต่ละครั้งละครั้งปรากฏว่าได้รับผลประโยชน์ตลอดถึงบรรลุมาผลนิพพานมีจำนวนมากมายหลายกองเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเรื่องความจริงเหมือนกัน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 เปลี่ยนเสื้อเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงเสื้อทันสมัยเลยไม่ต้องไปหามาจากเมืองนอกเมือ ง, งานาที่ไหนกันสิ่งใด ส, ส่วนส่วนมากถ้าว่าเป็นทันสมัยแล้วก็จะต้องออกมาจากเมืองเขาเมืองเราไม่มีเพราะเหตุไรถึงไม่มีอน่าคิดอยู่มากอันนี้สติปัญญาเราก็พอมีมือเท้าเราก็พอมีทําไมมัน มันถึงไม่ทันสมัยมันไม่ทันที่หัวใจของกิเลสนั่นเองคือง่ายๆนี่ถ้าจะพิจารณาตามเหตุตามผลไยแล้วมันทันแล้วกันอา้าวหรือย่อนเข้ามาพายะนาอีกเพื่อให้ทันสมัยนั่นคืออะไรเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยสติปัญญาคือเปลี่ยน อ, อารมณ์ส่วนอยากด้วย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 ถ้าจะทราบขึ้นมาโดยลําดับที่วันนี้จิตชักยุ่งหนักแต่ก่อนมันก็ยุ่งอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบแต่พอมาปฏิบัติภาวนาแล้ชักยุ่งจิตชักยุ่งแล้วจิตกระทบกระเทือนอะไรเร่เร็วอะไรมาสัมผัสคอยแต่กระทบกระเทือนคือแตก่อนขอพรมันเป็นหลังหมีมันดําหมดมันไม่รู้อะไรมาถูกมันก็ดําไปด้วยกันไปหมดมันมันดําำ้าเต็มที่อะไรมาถูกมันก็ดํำไปหมดแต่พอมี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 นั่นนั่นความอาธิรฐานอันนั้นเป็นความอาธิษฐานนอกสมมุติอีก mm. เพียงความขั้นอาธิษฐาในสมมุติมันก็ยิ่งกว่าความอาธิรฐานทั้งหลายในโลกนี้แล้ว mm. ฉะนั้นเราควรจะทราบว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ก็คือความรู้และจใจของเราควรจะได้รับการเลี้ยวแหล่ mm. เช่นเดียวกับกิจการหรือวัตถุสมบัติอื่นๆนี่อย่างน้อย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 สมบัติที่ว่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นตรงข้ามเนี่ยกลับตัวไปเลยเนี่ยที่ว่าสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประธานโอวาทแก่ ร, รณาศัตว์ก็เพื่อจะให้นำโอวาทนั้นๆเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจที่เป็นสมบัติสมคัญ น, นี้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 ส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้ให้ได้ประจักย์อย่างน้อยให้เป็นความเย็นใจเถอะอันนี้เป็นที่แน่ใจที่สุดเป็นที่ตาใจได้จริงๆิเพียงจิตใจมีความสงบเท่านั้นก็ปรากฏเป็นความเยินใจขึ้นมาแล้วเป็นหลักขึ้นมาอันน่ในพยายามอบรมขึ้นเรื่อยเื่อความสงบนั้นมีเป็นรากเป็นฐานมีความมั่นคงใละเอียดลออเขเป็นลำดับๆยิ่งเป็นความมั่นใจ สำหลักผู้ปฏิบัตินั้นๆเอาเพราะนพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อจะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มหอ่อภานจิตใ จ, จนี้ออกอะไรมาปกคลุมกับความยึดมั่นถือมั่นความสํา ค, คัญผิดของตนเองนั่นแหละกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองมาปกคลุมจิตใจใชเองความสาคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะไม่รู้ในสิ่งใด ยึงต้องยึมมั่นถือมั่นเนี่ยท่านก็นสแสดงออกไปเรื่องภาย น, นอกความากมายกายของรูปเสียงกงลินรสเครื่องสัมผัสเนี่ยนี่ผู้คงกว้างนะั้นนี่รูปรูปอะไรเราแยกขยายไปเต็มโลกเต็มมงสารรูปหญิงรูปฉายรูปพัะตะดุสิงของสมบัติเงินทองนะั้นเรียกว่ารูปทั้งนั้นเนี่ยเสียงเสียงอะไรเอาว่ากันไปนี่เหล่านี้แหละที่จิตไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้ แล้วสร้างความปิดบังให้ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความคัมภีร์นี่แหละมาปกคลุมหุ่มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตาไม่ทราบความจริ ง, งกับของสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ทราบความจริงของจิตที่ไปหลอกลวงตัวเองนี้นี่ยท่านจึงสอนให้พิจารณาภายนอกรูปเฉียงกลิ่นรสเป็นต้นเด้วยสติปัญญานี่ก็เป็นปัญป ญ, ญาขั้นหนึ่งที่จะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก่อนย้อนเข้ามา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 พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงแท้ๆทาไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่ารูปังอนัตตานะเรายังนีก็ถือว่าเป็นอัตาอตาตาเป็นตัวเป็นตนอยู่เหรอท่านผู้รู้แท้ๆเป็นผู้สอนเราทําไมเราไม่เชื่อเรากราธพูทธทางธรรมสังสนงิชามิไปทําไมเมื่อเราไม่เชื่อคําว่ารูปังอนัตตาเวทนะอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราตาวิญญาณอนัตตาเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนี่เรายังจะถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปทําไมะ เล่ากาถึงพระเจ้าพธรรมประสงค์ว่าเป็นช น, นะมีความหมายอะไรถ้านเราจะมาเชื่อค ว, ความจริงคือธรรมที่พระองค์ประทานไว้นี้ว่าเป็นความจริงตามที่ประทานไว้ควรจะละความจอมปลอมของตอนเองให้เห็นตามความจริงทังท่านว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาอแย่ๆอย่างนี้พระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่างนั้นนึกความเห็นงเราว่าอย่างนี้เอาแยกลงไปให้เห็นตามความจริ ง, งอานาตตาอนาตตาปฏิเสธตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าตีข้อมือไว้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 ทุกเกิดขึ้นทุกดับไปทุกเป็นไตรลักษณ์เนี่ยรูปเป็นไตรลักสัญญาเป็นไตรลักษสังขารเป็นไตรลกักษณวิญญาณเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งให้รู้แล้วถอนตัวเข้ามาอยู่เป็นอิสระอย่าไปยุ่งอย่าไปแบกไปหามนี่เรียกว่าปัญญาคน้นดูให้มันชัดเจนเมื่อมันพิจนารณาสิ่งเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วมันไม่ไปไหนมันจะหมุนทิ้งเข้าไปสู่จิตตัวรมรุ่มหลงสําคัญนั่นแหละนั่นละบอ่อแห่งอวิชชาบอ่อแห่งความเกิด บอยอความเปลี่ยนเสื่อเปลี่ยนแสงเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอยู่ที่ตรงจิตนั่นแหละอ่าเอาสติปัญญาค้นเข้าไปทําลายมันเออรังของวิชามันอยู่ที่จิตฝังในที่จิตแยกออกไปหมดแล้วด้วยสติปัญญาทางฝ่ายขันย้อนเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราวิชชาปัจจยาจริงๆมันมาจากไหนใครเป็นอวิชชาอ่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 ร า, ายลางหมดปัญหาในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดสินสุดไปจากใจคำว่าใรลักภายในใจจริงหมดไปเรื่องอนไรจังทุกขังาตามภายนอกก็ตามภายในก็ตามตามรูปเสีย ง, งกลิ่นรสกองสมบัติรูปเบชนาสัญญาสังขารมิางก็ตามหมดปัญหาไปหมดเมื่อจิตได้พ้นจากสมมุติแล้วอะไรๆะก็เป็นความจริงไปหมดไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อใจเลย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 นิพพานังปรมังสูญยังสูญก็สุญไปเถอะขอให้ได้เสื้อทันสมัยนี้เป็นที่พอใจฮะพอใจไหมเอาละเทศตอนนี้เพียงตอนนี้เอวะ